บุ๊ก <Book> 2สิบเจ็ดสุกุบลสุบรอบบ้านวูนัมวูนัมบ้านของเราอยู่ที่นี่มร์จีูนะมร์จีวูนะ หลังคาอยู่ข้างบนนชชนชชห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างูนรจอูนรจอมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านนบจกฮะช อุบชชไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านุอุปมุรมชอุอุปรมชอมีต้นไม้อยู่ข้างบ้านชุกรุชรทชรุชรท อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่มิร์ิฟตตมิร์ิเฟตรห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่มิชเดจมเชรฮัปอรอับสกิเปอร์ชิเอ๊มชเดจม์เชรฮัปอั ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่มดอดิชอนชชริชิยปรชอมอดิอนชริชริยปรชอประตูบ้านปิดอุนชรกตุนชรกตตแต่หน้าต่างเปิด เุวันนี้อากาศร้อนเง็กเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นวน มีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่นเชิญนั่นงค่ะคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น โิวเตอร์สเตอรีโอของดิฉันตั้งอยู oh ่ตรงนั้นชุดชุดทีวีเป็นของใหม่ทีวีซีร์จักั๊สทีวีซีร ชักับส